ธรรมิกวัตส 2. วิเลคณาศิขาบทว่าได้ความยุ่งยากแห่งศิขาบทเรื่องพระชัพคี438สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสวินัยยกถาทรงพรรณาคุณแห่งพระวินยัย ตรัสสรรเสริญการเรียนพระวินยัยทรงพรรณนาคุณพระอุบาลีโดยประการต่างๆภิกษุกษทั้งหลายกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคตรัสวินัยยตถาทรงพรรณนาคุณแห่งพระวินยัานายตรัสสรรเสริญการเรียนพระวินยัยทรงพรรณนาคุณท่านพระอุบาลีโดยประการต่างๆอย่ากระนั้นเลยท่านตั้งหลายพวกเราจะเรียนพระวินัยในสำนักท่านพระอุบาลีภิกษุเหล่านั้นจํานวนมากเป็นเทระก็มีเป็นนวากะก็มีเป็นมัญชิมะก็มี ต่างพากันเล่าเรียนพระวินัยในสำนักท่านพระอุบาลีครั้งนั้นแหละพวกพิสุชาวัคคีได้ปรึกษากันว่าท่านทั้งหลายบัดนี้พิกษุจํานวนมากเป็นเทระก็มีเป็นนวากาก็มีเป็นมัชชิมาก็มีต่างพากันเล่าเรียนพระวินัยในสำนักท่านพระอุบาลีถ้าพิสุเหล่านี้รอบรู้พระบัญญัติในพระวินัยก็จักชัก จูงชี้นําพวกเราได้ตามที่ปรารถนาในคราวที่ปรารถนาะจนพอแก่ความปรารถนาะอย่ากระนั้นเลยท่านทั้งหลายพวกเราจะดูหมิ่นพระวินัยครั้นแล้วพวกพิสุชบบาวัคคีจึงเข้าไปหาพิษุทั้งหลายแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าสิกขาบทเล็กๆน้อยๆที่ยกขึ้นแสดงเหล่านี้จะมีประโยชน์อะไรย่อมเป็นไปเพื่อความรําคาญเพื่อความลําบากเพื่อความยุ่งยาก บรรดาภิกษุผู้มากน้อยพากันตําหนิประนามพลธนาว่าชนะนภิกษุชาวบัปปคคีจึงดูหมิ่นพระวินัยเล่าครั้นภิกษุทั้งหลายตําหนิพวกภิกษุชาวัปปคคีโดยประการต่างๆแล้วจึงนําเรื่องนี้ไปกลาบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ